45่สิาษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระยาสังวนสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแวนกาศีแวนกาศี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 ฤสีแต่ว่าใช้ในความหมายว่าแสวงธรรมะคําว่ามิกถายะนั้นคําว่าทายะบางท่านแปลว่าป่ามิกถายะแปลว่าป่าเนื้ออีกคำหนึ่งทาวะคือเป็นตัววอแปลว่าป่าเหมือนกันมิกทาวะก็แปลว่าป่าเนื้ออีกอย่างหนึ่งทายะแปลว่าให้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 พระเจ้าแผ่นดินของแคว้นกาสีมีพระนามว่าพรหมทัตพระนามนี้เป็นพระนามของกษัตริย์แห่งแคว้นนี้สืบต่อกันมาทุกๆองค์พระเจ้าพรหมทัตพระองค์นี้ได้ทรงตั้งอยู่ในความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งได้ทรงตัดสินความของราษฎรด้วยความเที่ยงตรงทรงปกครองให้มีความสุขไม่เบียดเบียนกันและกันจนเป็นที่สรนเสริญกันทั่วไปพระองค์ได้เคยปลอมพระองค์ เสด็จไปเที่ยวสอดส่องดูสุขทุกข์ของราษดร อ, อยู่เสมอก็ไม่พบผู้ที่ตำหนิดีดเตียนพระองค์นั่เสด็จทรงราชรถมีสารถีขับเรื่อยไปจนถึงชายแดนในคราวหนึ่งและในรัฐโกศลซึ่งอยู่ติดกันพระเจ้าแผ่นดินของแควนนั้นมีพระนามว่าพาลิกะก็ทรงปกครองราษดรให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุกร้ายครึ่งกันชอบปลอมพระองค์เสด็จออกสอดส่องดูทุกสุขของรอัษฎร และในคราวหนึ่งก็เสด็จทรงราชรถบีนายสารถีขับออกไปจนถึงชายแดนรถของพระเจ้าแผ่นดินทั้งสองพระองค์มาสวนกันในทางแคบแห่งหนึ่งสารถีของทั้งสองฝ่ายก็เกียงจะให้อีกฝ่ายหนึ่งหลีกทางให้แต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอมฉะนั้นก็ไต่ถามกันถึงพระราชประวัติตา่างๆปรากฏว่ามีพระชนเท่ากันมีกาลังรีพล ทรัพสมบัติก็เท่าเทียมกันไม่ได้วกว่ากันก็ยังไม่มีเหตุที่จะอ้างให้อีกฝ่ายหนึ่งหลีกทางให้อีกฝ่ายหนึ่งได้คราวนี้จึงได้ถามกันขั้นถึงธรรมะของพระเจ้าแผ่นดินทั้งสองพระองค์นายสารธีของพระเจ้าพาลิกกะซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินของแคว้นโคศนตอบว่าพระเจ้าพันลิกกะพระราชาของตอนนั้นทรงโตตอบหนักแก่คนที่หนักมาทรงโตตอบอ่อนแก่คนที่อ่อนมา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 ได้มีธรรมะเช่นนี้เมื่อได้ฟังดังนั้นฝ่ายพระเจ้าพัลิกะแห่งกรุงโกสนเห็นว่าธรรมะของพระเจ้าพระมทัตสูงกว่าจึงได้ยอมหลีกทางให้อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องแสดงการให้อภัยแก่เนื้อคือมีเรื่องเล่า ว, ว่า พ, าพระเจ้าพระมทัตซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินของแกรนกาสีพระองค์หนึ่งได้โปรดล่าเนื้อและสวยเนื้อสัตว์เป็นอาจินได้เกณฑ์ให้ราษฎร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 ทรงมีพระาช ด, ดาริกว่าแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ยังมีจิตใจที่มีเมตตากรุณาไหนมนุษย์จึงไม่มีจึงพระราชาทานอภัยให้แก่หมู่เนื้อทั้งหลายห้าไม่ให้ใครทำอันตรายท่ัวท่วไปทั้งหมดเรื่องชาดกโดยมากในพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องเล่าในแว้งกาสีนี้เกือบทั้นั้นอันแสดงว่าเป็นแวลที่เคยรุ่งเรืองมามากแต่ก็หมายความว่า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 แต่ก็มีเรื่องเกี่ยวเนื่องอยู่กับแคว้นโกศลและมะคธเพราะฉะนั้นก็ควรจะทราบอีกสองแคว้นนั้นโดยสังเขปก่อนแคว้นมคธหรือแคว้นมคธทรัตน์นั้นในสมัยพุทธกาลพระเจ้าแผ่นดินทรงพระนามว่าพิมพ์พิสารราชธานีชื่อว่าราชกษัตหรือราชคฤตส่วนแคว้นโกศลพระเจ้าแผ่นดินทรงพระนามว่าปะเะส e n t ราชธานีชื่อว่า สาวัถีพระเจ้าพิมพิสารกรุงราชเครืแห่งมกทรัฐกับพระเจ้าประสเดียทีกรุงสาวัถีแห่งโกศลรัฐต่างก็เป็นพระสวามีของพระคณิฐาพคินีของกันและกันคือพระคณิถาภรคินีของพระเจ้าประเดียทีไปอภิเสกเป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารพระคณิถาภคินีของพระเจ้าพิมพิสารก็ไปอภิเสกเป็นอัครมเหสีของพระเจ้าประสเดียที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 เพราะในตำนานพระพุทธศาสนาจะมีเล่าไว้ก็ในเมื่อมาเกี่ยวพันกับเรื่องทางศาสนาเท่านั้นถ้าไม่มีเกี่ยวพันกันก็นกไม่เล่าแต่ว่ามีกล่าวไว้ในอัตฉริยะพระวินัยเล่มหนึ่งว่าพระเจ้าแผ่นดินของกาสีเป็นพระพาดาร่วมพระราชบิดาของพระเจ้าประสเสนที่แห่งแคว้นโกศลในสมัยนั้นและในบาลีวินัยแห่งหนึ่งก็มีเล่าถึงว่าพระเจ้ากาสี ใน้ส่งผ้านืด้ดีไปพระราชทานแก่หมอชีวกโกมารพัทซึ่งเป็นผู้มีอุปการะแก่พระองค์ผ้าแกวนกาสีนี้เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นเป็นของดีมีราคามากส่วนการาศาสนาในแกวนกาสีโดยเฉพาะในพาราณสีซึ่งเป็นเมืองหลวงในสมัยพระพุทธเจ้าปรากฏว่าเป็นที่รวมของลัทธิาศาสนาเป็นอันมากดังที่กล่าวว่า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 เป็นลนักษณะของความรู้ที่มีวนรอบสามมีอาการส2บสองในปฐมเทศนาที่ได้ย่อความมาแสดงแล้วมีอธิบายโดยสังเขปบางข้อดังนี้คราวนี้จะอธิบายยานคือความรู้ของพระพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นในอริยสัตว์ที่ว่ามีวนสามีอาการส2สองในเบื้องต้นควรกำหนดชื่อยานไว้สามก่อนคือ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 กิาหรู้ว่าทําสําเร็จแล้วเทียบได้กับกัตตยานอีกอย่างหนึ่งเทียบในการรักษาโรคเบื้องต้นก็จะต้องรู้ว่าเป็นโรคอะไรนี้เทียบได้กับสัจจะยานจะต้องรู้ว่าจะต้องรักษาอย่างไรนี้เทียบได้กับกิตยานรู้ว่ารักษาโรคให้หายได้แล้วนี้เทียบได้กับกัตตยานฉะนั้นความรู้สามัญในเรื่องตูทั่วไปของคน ก็จะต้องมีลักษณะทั้งสามนี้คราวนี้ว่าถึงความรู้ในอริยสัจอริยสัจนั้นมีสี่ข้อดังที่แสดงแล้วพระพุทธเจ้าได้ทรงชี้ตัวของอริยสัจทั้งสี่นั้นด้วยคือเมือ่อทรงแสดงว่าทุกข์ก็ทรงแสดงว่าอะไรเป็นทุกขเมือ่อทรงแสดงว่าสมุ ท, ทัยได้ทรงชี้ด้วยว่าอะไรเป็นสมุ ท, ทัยเมือ่อทรงแสดงว่านิโรธความดับทุกข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 ก็ตันหาเป็นเหตุให้เกิดทุกจริงหรือไม่ทรงสแสดงว่าดับตันหาเสียเป็นความดับทกุก็เป็นความดับทุกจริงหรือไม่ทรงสแสดงว่าทางมีองแปดเป็นทางให้ถึงความดับทุกจริงหรือไม่เบื้องต้นก็จะต้องรู้ว่าจริงหรือไม่ดังกล่าวนี้ก่อนถ้ายังไม่เกิดความรู้ของตัวเองก็ยังไม่ชื่อว่ารู้ดังเช่นรู้ตามแบบหรือตามที่ได้ยิน อ่านเรื่องอริยสัจฟังเรื่องอริยสัจก็คงรู้เหมือนๆกันทุกคนและก็สวดกันอยู่เป็นประจำว่าชาติปิทุกขาชราปิทุกข า, ร า, กขามารนามปิทุกขังรู้ตามสัญญาดังนี้ยังไม่ชื่อว่ายานต้องรู้สึกเห็นจริงขึ้นด้วยตัวเองเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นอย่างเห็นแท้แน่นอนลงไปอย่างนั้นโดยไม่นึกว่าพระพุทธเจ้าท่านว่าไม่ต้องนึกว่าใครว่า แต่ว่าตนเองลงความเห็นจริงลงไปอย่างนั้นและการลงความเห็นนั้นก็ไม่ใช่ว่าลงความเห็นข้างนอกแต่ว่าลงความเห็นเข้ามาที่ตัวเราเองเพราะอริยสัจทั้งสีน่นี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงที่ตัวของเราเองคือตัวของทุกๆกคนดังทรงแสดงว่านี้ทุกข์คํานี้ก็หมายถึงชี้เข้ามาข้างในทุกก็ยังคงอยู่ที่ตัวของเราเองเกิดแก่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 45, สี่สิบห้าพรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระยันสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ในตอนต่อไป